สามสิบสี่บทพิจารณาสังขารปฏิสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแปรรูปตามนามตามทั้งหมดทั้งปินอ่านไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหา ไปตาเปสัมการาทุกข์าสัมการคือร่างกายจิตใจแปรรูปตามนานตานั่นหมดทันทนมันเป็นทุกตัญญารอดเกิดขึ้นแล้วแก่เก็บตายไปตาเทตัมมาอนัสตาสิ่งท่างหลายท่างปุ่ ทางาที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งปิ้นใครใช่ตัวไม่ใช่ตไชนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาสุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยอย่างยืนทุวังมารนัง เป็นของยั่งยืนอาว ส, สัมมายามริตาตังอันเราจะพึ้นตายเป็นแท่มรณะปริโย์สานังเมธีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตันเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มารณังเมธียทาความตายของเราเป็นของเพียงความตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาชีรังนี่ได้ร่างอยู่นาน ดูเยื่อเพิ่งปิดคร <c oughs> ับเยืิสเพสังขาราอนิจจาดูตามไปนะครับสังขารคือร่างกายจิตใจแครรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นผมจะชี้ท่านเห็นว่าเชื่อไม่ว่าตลอดการสวดมนต์ที่ผ่านมาทั้งชีวิตท่านไม่เห็นสภาวะธรรมของสามประโยค ดูดีๆนะนี่คือสุดยอดคำสอนที่จะพาเข้าสู่การบรรลุธรรมมีอยู่แค่สามประโยคสังขารคือร่างกายจิตใจเห็นหรือยังว่าสังขารคือการประกอบขึ้นของร่างกายกับจิตใจเมื่อกี้เราพูดถึงชีวิตถูกไหมและรูปธรรมนามธรรมคือมีรูปกับนาม ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้การเกิดขึ้นของรูปนามเป่าเทียนทุกอย่างรูปนามแต่มันไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นชีวิตแต่พอมีรูปธรรมนามธรรมสังขารคือร่างกายและจิตใจมันเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป ถ้าใครก็ตามเห็นสิ่งนี้มันจะเห็นสิ่งนี้ได้อย่างไงสังขารคือร่างกายจิตใจ การปรุงแต่งที่เกิดเป็นร่างกายจิตใจจนกระทั่งเกิดมาเป็นวิญญาณมีวิญญาณเข้ามาคลองสิงเจ้ารูปนามนี้แล้วก็เกิดเป็นการปรุงแต่งที่เป็นนามรูปขันหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณขึ้นไปอยู่ข้างบนตัวหนึ่งนี่คือวิญญาณหลังจากนั้นวิญญาณเข้ามายึดนามรูปที่เหลืออีกสี่ขันมาเป็นของเรา สังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังได้วิญญาณตั้งอาศัยในเพื่อนแล้วก็สังเกตมันจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดเกิดดั บ, ดบ วิญญาณจะเป็นคนเข้าไปดูรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดเกิดดับดับมันจึงรู้ว่าทั้งสี่ขันเนี่ยเป็นอนิจจังเมื่อมันเห็นว่ารูปนามก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดเกิดดับดับสัพเพสังขาราทุขา สังขารคือร่างกายจิตใจสังเกตนะเหมือนเดิมแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นซ้ำเลยแสดงว่ายังไม่มีภูมิธรรมอะไรเปลี่ยนมันเป็นทุกข์ทนยากผมบอกแล้วว่าขันโดยตัวมันเองมีสภาพทุกข์อยู่แล้วสภาพทุกข์เมื่อมีผู้ทุกข์เข้าไปครองเป็นเจ้าของวิญญาณทุกข์ไหม ดันไปเป็นเจ้าของของเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมีความทุกข์อยู่สองแบบแบบแรกคือตัวขันเองต่อให้ไม่มีใครเข้ามาคลองสิงเลยมันก็ทุกข์ของมันอยู่แล้วที่จะต้องดิ้นรนอยู่ให้ได้เทียนไม่มีวิ ญ, ญญาณเข้ามาคลองสิงดิ้นรนเนี่ยเผาจนกระทั่งเดี๋ยวก็หมดนี่สู้ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแต่ไม่มีวิ ญ, ญญาณคลองสิง ถ้ามีวิ ญ, ญญาณเข้าไปครองสิงเทียนปุ๊บเนี่ยทุกไหมทุกดีมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันค่อยๆหมดไปหมดไปเฮย้ฮยเดี๋ยวดเดี๋ยวนี้เย็นเย็นพยายามจะปรับทุกอย่างจะทําไม่ได้จนกระทั่งมันก็ตายไปมีวิญญาณเข้ามาครองสิงไอเนี่ยเหมือนเทียนที่กําลังหมดไปหมดไปทุกวันเนี่ยเฮย้ยอย่าแกอย่าแกก็ขอบคุณมากเลยที่พยายามจะช่วยผมนะเต็มไปหมดเลยนะมาเขือพวงเมียน้อยเมียหลวงอะไรเนี่ยอะไรอ่าวิตามินซีคือก็มาช่วยกันเนี่ยพยายามเอามัน นะแต่ก็ทำได้เท่าที่ทำได้ทำได้เท่าที่ทำได้ยอมรับความจริงแล้วก็ทำไปรักษาไปเทียนก็อาจจะค่อยๆป้องนะถ้ามีผู้เข้าไปคลองสิงก็ค่อยๆป้องแต่ยังไงก็ตามเทียนหมดแน่ไอ้นี่หมดแน่มันหมดแน่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีอะไรเข้าไปคลองสินสิ่งนี้เป็นเจ้าของสิ่งนี้เสร็จแน่แล้วเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าไม่จริง ไม่จริงเราบอกว่าเอ้ยฉันดูแลมจริงๆนะสมมุติเอาคนบ้ามาเอาคนบ้ามานั่งเบอรเบอร์บไม่รู้เรื่องเลยเอาน้ําให้คนบ้ากินสามแก้วฉี่แมะฉี่เอา้าบ้าก็ฉี่นะเพราะว่าท่าดไหลเข้าท่าดก็ไหลออกไม่เกี่ยวกับบ้าไม่บ้า มันจะเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของมันทำงานของมันอยู่แล้วไปอุดจมู่คนบ้าดิ้นไหมสู้ตายนะต่อให้มันคิดไม่เป็นเนี่ยมันสู้ตายนะถีบเราเลยนะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของอันนี้ดึงอัศนะม็นั่งหันหน้าไปทางเพื่อนดันหายใจ อย่าหายใจอีกต่อไปกั้นไปเรื่อยๆกั้นหายใจหายใจยหายใจแล้วอย่ากระพริบตา เขาพิภักกพิบตากับพิบละผมสั่งให้เขาหยุดหายใจได้ผมสั่งให้เขาไม่กระพิบตาได้แต่ในที่สุดเขาก็ทําอย่างที่เขาต้องทําถ้าผมบอกว่าเนี่ยผมคุณว่าบ้าไหมเนี่ยผม นี่เราที่ผมเป็นเจ้าของเขาเนี่ยผมสั่งเขาได้ลองดูดีๆนะท่านไม่เคยสั่งอะไรมันได้สักอย่างเลยนะกินน้ำออกไปกินสามแก้วเลยผมให้ท่านนั่งสมชั่วโมงอย่าลุกนะรับรองบิดเลยแ่ะเพราะธาตุน้าต้องไหลออกไหนอะ่ะเป็นเจ้าของตรงไหนเหรออย่าเป็นมีใครอยากเป็นมะเร็งไม่มี แล้วถ้าเป็นขึ้นมาแล้วยังไงมันเคยฟังเราสักครั้งหนึ่งไหมไม่มีเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะลาอเข้าไปเรื่อยๆพุกยืนนั่งสั่งได้หมดยืนเหมือนกันอย่าสับสนนี่ฉันสั่งได้ฉันก็ต้องเป็นเจ้าของเด็พุกยืนยืนนี่ก็สั่งได้นั่งนั่งเหมือนกัน แล้วทำไมต้องเอามาเป็นเราอ่ะมันเป็นเราตรงไหนอ่ะภาวนาให้มันขาดออกไปก่อนผมนึกว่าวันแรกเนี่ยให้มันเห็นเป็นเขาก่อนนี่เขานี่เราเพราะวันนี้มันเอาเร า, ทางทั้งๆที่มันไม่เคยเป็นเราแต่มันเอามาเป็นเราเพราะนันให้มันเป็นเขาก่อนเอานามธรรมาออกมาตัวหนึง่งวิญญาณกับจิตแล้วก็กลับไปดูใหม่จะเห็นแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่วเพราะมันไปเห็น รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เคยเป็นเราเฮ้ยกูเข้าใจผิดกูนะ่ะเข้าใจผิดใครใครเข้าใจผิดไอ้นี่ยังไงเข้าใจผิดกูเข้าใจผิดงั้นกูรู้ถูกแล้วว่าไอ้สีตัวนี้ไม่ใช่เรากลับไปดูบรรทัดแรกใหม่สัพเพสังขาร า, านิจจา ทำไมถึงพูดว่าสัพเพสังขารานิจาเพราะวิญญาณไปเห็นนามรูปอีกสี่ขันว่ามันเกิดเกิดดับดับมันถึงบอกว่าสัพเพสังขารารูปนามนี้กายใจนี้เกิดเกิดดับดับนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันเห็นตรงนี้ให้ได้จะละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนออกไป เพราะมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีแม้แต่วินาทีเดียวไม่เคยผมไม่เคยเป็นเจ้าของปุ๊กเราบปุ๊กมันของชื่ออะไรปอ ก, ปอกเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของกู <c oughs> ไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเป็นของเรา ไล่ไปไล่ามาไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้แต่จิตอันนั้นว่ากันทีหลังเอาอย่างนี้สัพเพสังขาราให้ได้ก่อนพอเห็นสัพเพสังขาราจะเห็นเลยว่าพอเดิมไปโอ้โหมันเกิดเดดับดับนี่เป็นทุกข์มากนะเนี่ยแล้วถ้าเราเข้าไปยึดถือสิ่งเป็นทุกข์ทาไมเราจะไม่ทุกข์ละ่ะมันจะมาถึงสัพเพสังขาราทุกข์ขาพระเจ้าตรัสว่าไงเมื่อเห็นอนิจจัง ก็จะเห็นทุกครั้งหลังจากนั้นบรรทัดที่สามเอาไว้คุยกันอีกสองวันข้างหน้านี่คือสภาวะธรรมก่อนจะเป็นพระรหันบรรทัดที่สามหลังจากนั้นพอเห็นรูปนามเกิดเกิดดับดับเป็นทุกข์มากๆาสักพักมันจะเห็นออกไปแล้วก็เริ่มปล่อยพอปล่อยปุ๊บไม่ใช่แค่นี้นะ รูปนามทั้งโลกทั้งจักรวาลมีสภาพเดียวกันต่างกันแค่มีวิญญาณคลองสิงกับไม่มีเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยเราก็เป็นเพื่อนกับกระดาษที่ชู่แล้วที่นี่เดินผ่านต้นไม้ก็เพื่อนกันไม่ใช่เป็นเพื่อนซี้ต้องไปหาปุ๋ยเลี้ยงมาหรอกเปล่ า, าแต่เป็นเพื่อนกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดมองไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเพราะว่างจากตัวตน นึกภาพนี้ไว้นะครับพวกหายใจออกหายใจเข้าออทำได้เหมือนกันท่านก็ทำได้มองให้เห็นว่าภาพซ้อนเนี่ยออกมาอีกคนหนึ่งแต่ไม่ต้องไปตั้งวิญญาณขึ้นมานะคือแค่ใช้นี่ผมทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่วิธีการเนี่ยคือทำอนาปณ ะ, ะไปเรื่อยๆ รู้ลมรู้ลมให้จิตตั้งมั่นละไวๆการปรุงแต่งละไปก่อนละไปก่อนให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็อาศัยวิ ญ, ญญาณเข้าไปตั้งอาศัยแล้วเดี๋ยวก็พอละพักวิญญาณดับสังขารดับวิญญาณดับสังขารดับวิญญาณดับสังขารดับมาเกิดที่รูปวิญญาณก็มาเกิดที่รูปแต่มันไม่ต้องรู้แบบที่ผมพูดหรอกเดี๋ยวมันรู้ของมันตามภูมิที่มันรู้ได้มันจะเห็นความคิดที่ดับไปดับไ ป, ด, บไปดับไปเรื่อยๆ การปรุงแต่งที่ดับไปดับไปเมื่อไหร่การปรุงคุณคิดง่ายๆว่าทุกวันนี้ภาชนะของเราอ่ะมันพว่กลับไปนั่งเลยภาชนะของเราเนี่ยมันเติมน้ําสกปรกเติมน้ําสกปรกเติมน้ําสกปรกเติมน้ําสกปรกการปรุงแต่งคือน้ําสกปรกที่เติมลงไปเลี้ยงจิตพอคิดดีก็คือเติมน้ําแดงลงไปพอคิดไม่ดีก็เติมน้ําคล้ำลงไปเติมน้ําคล้ำลงไปเดี๋ยวก็เติมน้ำแดงเดี๋ยวก็เติมน้ําคล้ำตกลงสกปรกไหมสกปรก เหนียเหนไปหมดแต่วันนี้พอหยุดการเติมน้าคลํา ม, มันก็เริ่มเติมน้าแดงดีขึ้นมาหน่อยทำไมถึงเติมน้าแดงเพราะอาวิชชาปรุงปุญญาพิสังขารขึ้นมาอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ดีคิดดีก็เสร็จมันเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำไงต้องหยุดคิดก่อนแล้วดูกันใหม่เริ่มต้นใหม่ ปัญญาถึงจะเกิดมิงั้นหลวงปู่ดูลไม่พูดหรอกหยุดคิดจึงรู้เฮ้ยผมรู้คิดอยู่พโถเดี๋ยวก็ให้พวกอ่านอีกรอบหยุดคิดอะไรเมื่อกี้ไม่หยุดคิดจิตทำลายจิตถูกทำลายอะไรนะ่ก็มันจะไม่ไม่ถูกทำลายอาวิชชาเข้าหมดกินรวบวันนี้เฮ้ยอย่าเอาคิดมาเป็นของเราใช่ แต่นั้นเป็นสภาวธรรมนะที่ต้องเกิดจริงๆเลยแล้วมันถึงจะไม่ทุกข์แต่วันนี้ทำไงเพื่อให้ถึงตรงนั้นนะหยุดคิดหยุดก่อนอย่าเอาจุดนี้ไปปนกับจุดอื่นแล้วเดี๋ยวจุดอื่นจะตามมาเองนะนี่แค่วันแรกทำอย่างเงี้ยก่อนทาอย่างเงี้ยก่อนแล้วเวลานั่งสมาธิท่านอาจจะเห็นบางช่วงเวลาที่พอจิตตั้งมั่น อาวเฮ้ไขว้เนี่ยตกลงเมื่อจิตตั้งมั่นมันจะทําลายความเห็นผิดที่ปวดก็เป็นของเราเป็นเราเพราะมันมีเรามันจึงมีทุกอย่างหลวงปูลาบบอกกูกูกูกูอยู่นั่นน่ะนะนกเขาก็กู้กูคกู้กูไปเกาะต้นไหนก็ของกูของกูของกูไอ้ต้นนั้นก็เป็นของกูแล้วต้นไม้มันเคยเป็นของนกเขาเหรอของกูของกูกู้กูกู้กูหลวงปู่บอกว่ากูกู้กูกูก็ไปยึดต้นไม้ที่ไปเกาะ เป็นของกูของกูของกูต้นไม้มันเคยเป็นของของไรก็นกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปถามต้นไม้เ ล, ละนี่มันเคยเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่เอาอย่างนี้ก่อนให้เห็นอย่างนี้ก่อนอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิแล้วให้เห็นสัมมาทิฏฐิก่อนเมื่อกี้นี้ เราพูดถึงความฝันที่เป็นสังขารขันแล้วผมก็ดึงมาให้ท่านเห็นสัพเพสังขาราอานิจจาบางทีหลวงปู่มารับอาหารอยู่กำลังหลวงปู่ล่า เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังลองฟังดูแล้วเดี๋ยวผมจะโยงกลับมาที่เดิมกำลังรับอาหารอยู่มีแม่ชีแก่คน่หนึ่งอายุแก่กว่าหลวงปู่มั่นพอมาส่งอาหารก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไร กินข้าวอยู่นั้นพูดยาวตามภาษ า, าบรนนอกไม่ได้ว่าฉันเชื่เลยแล้วปู่ก็ไม่ถือสาแล้งปู่มั่นแล้วปู่บ้านจึ่งคาข้าวแล้วก็สังขารกองทุกที่รับทานอาหารอยู่นี่ที่ฉันจังหารอยู่นี้ที่ฉันอาหารอยู่นี่มั่นไม่ได้ฉันหอกแล้งปู่บ้านพระารหันส แน่แน่แม่ชีเดินมาถามอะไรฉันอาหารอยู่นั่นถ้าเป็นยุคนี้ไม่รู้จะใครจะกล้าถามอะไรฉันอาหารอยู่นะหลวงปู่บอกสังขารกองทุกเมื่อกี้สวว่าไงสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนทำ้ำทมทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารกองทุกกาลังฉันอยู่ มั่นไม่ได้ฉันดอกมันเป็นเรื่องของสงคาคัญแล้วใครพูดตรงนี้ลึกเกินไปอย่าเพิ่งถามเอาตรงนี้ก่อนเพราะมันถึงขั้นดับวิญญาณอวิชชาเปลี่ยนเป็นวิชาเไรเอาไว้ตรงนี้ก่อนให้เห็นสัพเพสังขาร า, านิจานี้ก่อน ตอบกันทันเรือคืนหลวงปู่มั่นก็ให้คเนียนว่ายายแกคนนั้นปฏิบัติมานานแล้วถึงโลกุตระจิตยายแกคนนั้นแปลว่าอะไรครับโลกุตระจิตก็คือข้ามฝั่งจากโลกิยะไปแล้วคนถามก็ข้ามผู้ตอบก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้ว เข้าใจกันอยู่แล้วเขาพูดกันตรงไหนเป็นตัวตนไม่มีสังขารแต่ถ้าท่านคุยกับคนธรรมดาหลวงปู่อาหารอร่อยไหมอืมก็ดีนะก็ถามโลกก็ตอบโลกจะบอกกสักแตล่ลอะไรก็ยิงไปกันใหญ่นะครับบางทีท่านก็ใช้บัญญัติในโลกสมอ้างไปเรื่อยๆนะ อย่างท่านพุทธทาสบอกว่าแค่คำเดียวอัตมานี่ก็ผิดคือก็โกโหกแล้วก็พระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นเลยแต่ต้องพูดอัตมาหลวงพ่อหลวงปู่ต้องเรียกแทนไม่ได้เรียกแทนท่านแต่เรียกแทนชื่อขันวันหนึ่งมันไม่ได้อยากจะพูดถึงไอ้นี่ขึ้นมาหรอกเหมือนอะไรรู้ไหม ถ้าผมเอาแมวตัวหนึ่งเกาะให้มันเกาะขาหน้าไว้เนี่ยท่านคิดว่ามันปีนขึ้นไปได้ไหมได้เพราะถ้าขาหลังมันจะดันได้นี่ขึ้นแล้วมันจะกระโดดขึ้นไปได้ถูกไหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโต๊ะที่มันมันไม่มีอเป็นสมมติว่าเป็นอย่างเนี้ยคือมันไม่มีไอตรงเนี้ยถ้าผมเอาแมวไปเกาะเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีเนี่ยท่านคิดว่าแมวขึ้นได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าตีนมันจะกระดึ๊กกระดึ๊กระดึเาะมันไม่มีที่ยันนึกออกไหมแมวจะขึ้นไม่ได้จบแล้วังเราฟังถ้ามันมีที่ยันคือมีตัวตนมีใครว่ามันจะดัน แล้วจะปีนขึ้นไปสู้ถ้ามีใครด่าท่านแรงๆแล้วก็ขุดเอาประวัติท่านมานั่งพูดท่านทนไม่ไหวเพราะว่ากูต้องทำให้มันเห็นความจริงให้ได้หรือมันพูดอย่างนี้กูว่าไม่ใช่อย่าเพิ่งลากไปไกลกว่า น, นี้นะเดี๋ยวจะอ้าวแลวไม่ไม่ชี้แจงคนละเรื่อง แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีตรงนี้เนี่ยเฮ้อที่มันพูดก็ถูกกันน่ะถึงจะถูกไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอ้าไม่ชี้แจงเห้มันจะพูดเห้อมันไม่มีอ่ะแมวมันถีบแล้วมันไม่มีที่ดันอ่ะผมเห็นภาพนี้ผมก็แมวมันถีบแล้วมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันไม่สนใจจะขึ้นไปอ่ะเฮ้ ไปไหแต่ถ้าไม่ได้อย่่งยี้มต้องชี้มั น, ม, นมันมีที่เหยียบอะแมวมันมีที่ดันเป็นพระอะบุคลณท่านใดท่านหนึ่งนักปราชูดูกันฟังดีมาก กวเรามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ทีนน้าไปลงไม่ได้เห็นอันอื่นในส่วนธาตุในส่วนธรรมก็เหมือนกันรูปประทัานามธรรมเท่านั้นสัตว์ท่องเที่ยวถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่หลงรูปประทัานามธรรมาแล้วก็พ้นไปรูปประธาตนามธ า, าต์ก็เหมือนกัน